เพื่อพากันตั้งใจให้ดีคนเราถ้าใจดีแค่อย่างเดียวแล้วก็มีความสุขได้ถ้าใจไม่ดีแล้วก็ไม่มีความสุขความสุขอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลาย สำรวมใจของตนให้ดีรักษาใจของตนให้ดีอย่าให้มเป็นใจร้ายใจมันจะดีได้ก็ต้องฝึกให้มันสงบบางครั้งบางคราวไม่ใช่ปล่อยคิดเรื่อยเปื่อยไปยงั้นนั่นแหละมันใจไม่ดีปล่อยให้มันคิดเรื่อยไป มันอุปามาเหมือนอย่างเด็กที่มันซุกสนนะพ่อแม่เอาไม่อยู่จับมาแล้วหัดนอนหรือหดไปเดี๋ยวก็จะไปตกเรือนไปตกหลุมตกบอ่อไปตกน้ำอะไรอย่างเนี้ยเนื่องจากว่ามันไม่รู้ มันไม่รู้จักภัยอันตรายต่อชีวิตของตัวเองฉันใดบุคคลผู้ปล่อยใจของตอนให้เลื่อนลอยไปทั่วก็เป็นผู้ไม่รู้จักภัยของตัวเองภัยอะไรมันจะสู้กับภัย การที่ปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลือดลอยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นโศกบ้างเสียใจบ้างภาพแค้นใจบ้างอะไรหมุนี้นะอันนี้จะเรียวาภัยอันใหญ่หลวงให้พากันเข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ ไม่ได้ทงสอนให้พุทธบริษัทนั้นภาวนาฝึกใจของตนให้สงบลงเมื่อใจสงบแล้วมันก็ปลอดภัยวับ น, นี้อุปมาเหมือนอย่างทหารตำรวจถ้าเขาได้อาศัยบังเกอร์แล้วอย่างนี้เขาก็จะปลอดภัยจากลูกกระสุนของข่าศึก ที่ยิงมาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนผู้ที่ทำใจให้สงบลงไปได้แนละ้วความชั่วร้ายอะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมันไปสงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ภายในแล้วเรื่องอะไรดีชั่วอะไรอยู่ภายนอกนู่นมันก็เข้าไม่ถึง อย่งนั้นเหมือนอย่างถังแก้วทาหารถ้าอยู่ในป้อมหรือในบังเกอร์ล่ะถ้าถึกยิงมามันก็มาถูกแต่บังเกอร์น่มันไม่ถูกค น, นะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยเช่นอย่างว่าใครเขาด่าไาเสียงมันก็ดังเข้ามาแค่หูนี่แหละ แต่แล้วใจมันไม่รับเอาเสียงด่าอันนั้นเพราะมันสงบตัวอยู่มันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังเสียงนั้นมันก็ดับไปเฉยๆนี่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอะ่ะแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วพอได้ยินเสียงด่าเสียงว่าต่างๆนานาเข้ามาลนะวันไหลไปเลย โกรธหรือว่าเสียใจไปต่งางๆนานาไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันทาใจให้สงบพะเราทุกคนนัะนต้องการความสุขใครๆก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่ความสุขมันอยู่ที่ความสงบกับความรู้เท่าถ้าถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็ ไม่สงบเหมือนกันนะถ้ามันสงบได้ก็แสดงว่ามันรู้เท่าเพียงนั้นมันไม่ยึดไม่ถืออารมณ์ภายนอกไว้มันเห็นว่าเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรเรื่องของเรื่องเรื่องของโลกสงสารอันนี้นะะะนั้นถ้าเกิดถ้าดับอยู่อย่างนั้นแหละ อาวหน่อยนึงกับเรื่องดีเกิดขึ้นหน่อยนึงกับเรื่องชั่วเกิดขึ้นมาเรื่องดีดับไปเรื่องชั่วเกิดขึ้นเรื่องชั่วดับไปเอาเรื่องดีเกิดขึ้นมาเรื่องของโลกอะเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งเรื <Tonight> ่องส่วนตัวของบุคคลก็เหมือนกัน บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละคุ้มดีคุ้มร้ายถึงเวลาใจดีมาก่อนดีไปบัถึงบทมันใจร้ายมาก่อนหน้าเศร้าเข้าไปใครมาพูดอะไรก็คอยแต่จะโกรธคอยแต่จะไม่พอใจ อันนี้อันนี้มันควรคิดควรพิจารณากันให้รู้ให้เข้าใจความเป็นอยู่ของตัวเองใครจะรู้ให้ใครไม่ได้เลยต่างคนต่างต้องรู้เรื่องของตัวเองคนอื่นก็เป็นแต่เพียงตักเตือนแนะนำอุบายให้ เท่านั้นเนี่ยส่วนการรู้เรื่องของตัวเองก็เป็นหน้าที่ของตัวของใครของเราที่จะต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นอย่าพากันประมาทก็เราไม่ฝึกจิตใจเนี่ยนะไม่เศ้าอยู่ฝึกอะไรลนะลองพิจารณาดูให้ดี ก็พูดแล้วควรพากันเข้าใจชีวิตของมนุษย์เรานะ่ะมันมีดีกับมีชั่วปนเปนกันอยู่ถ้ามันมีแต่ดีล้วนๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องมานั่งภาวนาให้รังขดรังแข็งอะไรแล้วเ ท, ที่จะมีศาสนามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี่ ก็เพราะมันมีดีมีชั่วอยู่ในชีวิตของมนุษย์เราเนี่เมื่อมนุษย์เราขจัดความชั่วออกไปไม่ได้ทำความดีให้เจริญขึ้นไม่ได้ก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แหละพระองค์จึงได้รู้แจ้งไปทั่วโลกเนี่ยโลก ายชั่วก็ทรงรู้โรคไฟดีก็ทรงรู้ถ้าพูะอรหันทำชั่วมากมันก็ไปตกนรกถ้าทำชั่วพอปานกลางก็ไปเป็นเปรตถ้าทำชั่วน้อยลงมาก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน อ, อ่นี่พูดถึงกระบวนแห่งความชั่ว บุคคลผู้สะสมกรรมชั่วใส่ตัวเองตายแล้วก็จะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิภูมิอันเป็นทุกข์ทั้งสี่ภูมินี้ภูมิใดภูมิหนึ่งเป็นอย่างนั้นชีวิตของคนเรานี่นะมาในพูดถึงกลับวบนการฝ่ายดีบัะ น, น, นี้เมื่อบุคคใดเป็นผู้รู้จักความชั่ว แล้วก็เพียรละความชั่วนั้นออกจา ก, ก จ, จิตใจแล้วก็พยายามสั่งสมความดีเข้าใส่ไว้บันนี้ผู้นั้นมีจิตใจมั่นอยู่ในความดีชอบใจกับความดีคือบุญกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่มันอํานวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำในปัจจุบันนี้เองนี่ แต่มันอำนวยผลทางใจผู้บำเพ็ญบุญกุศลจะเป็นให้ทานก็ดีรักษาสินก็ดีภาวนาก็ดีโมนี่มันล้วนตั้งแต่เป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยเมื่อทำลงไปแล้วมาพิจารณาดูผลแห่งการกระทำนั้น มันก็มองเห็นแล้วว่าการกระทำนี่มีประโยชน์ไม่มีโทษไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นการกระทำของผู้นั้นชื่อว่าทำดีเมื่อเห็นว่าตนทำดีไปมันก็ดีใจใจก็เบิกบานผ่องแผ้วเมื่อมันเห็นบุญกุศลความดีเนี่ย เป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่จิตใจในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ทิ้งความดีแล้วนี้ใจของผู้นั้นนะมันก็รักษาความดีคือบุญกุศลอันนั้นไว้เพราะว่ามันมันเป็นมันอำนวยใวาให้มีความสุขจะไปทิ้งทำไมอันนี้นั่นนะเล่นเสียแก่บุคคลผู้ใด ทำความดีนิดหน่อยบุญกุศลไม่มากมันก็ทําใจให้หนักแน่นไม่ได้อันนั้นพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาหน่อยหนึ่งก็วันไหวไปเลยเพราะกําลังแห่งความดีมันมีน้อยต้านทานต่ออํานาจแห่งความชั่วซึ่งมันมีมากนั้นไม่ได้นี่แหละเช่นอย่างภาวน า, างนี้นะ เราทำใจของตนให้สงบนิดหน่อยหนึ่งต่อจากนั้นก็ปล่อยให้มันคิดส้านไปทั่วไม่ยอมให้มันสงบนิ่งอยู่นานไอ้อย่างนี้นะมันจะมีกำลังใจต้านทานต่อความชั่วได้อย่างไรละ่ะมันต้องคิดดูให้ดีการที่ใจจะมีกำลังต้านทานต่อความชั่วได้เรวก็ต้อง รู้จักฝึกรู้จักคมใจนี่ให้สงบลงไปนี่ให้เข้าใจจะเป็นนั่งเฉยๆแล้วไม่ออกกำลังอะไรกำลังสติก็ไม่เข้มแข็งกำลังขันตีความอดทนก็ไม่เข้มแข็งเช่นนี้แล้วจะให้ใจมันสงบลงได้อย่างไรฮะต้องพิจารณาดู รู้วแต่ทุกข์ฉันเมื่ออดเมื่อทนเข้าไปหน่อยหนึ่งสะกดจิตเข้าไปพอจิตมันพลิกแพงไปต่างๆแล้วก็เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็ถอยเสียไม่พยายามทำต่อไปออย่างนี้ไม่ได้แล้วจิตใจสงบไม่ได้เลย จิตใจจะสงบได้มันก็ต้องพร้อมอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนะี่ยต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวทิ้งไม่ได้ความอดทนนี่ถ้าทิ้งความอดทนแล้วใครจ ะ, จะเจริญกรรมฐานอะไรอะไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์เลยจิตสงบลงไม่ได้ทางอดทนด้วยทางเพ่งกรรมฐานด้วย คืออดไม่ไม่ให้จติตใจมันคิดต้านไปทางอื่นแล้วนะะคําว่าอดทนในที่นี่นะให้จิตมันตั้งอยู่แล้วก็บเพ่งดูอัจฉรภาพร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์นี่พอจิตมันตั้งแล้วกรวดดูตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมานั่นถึงศีรษะนั่นเบื้องต่าก็ตั้งแต่ศีรษะลงไป จนถึงเพื่นเท้านุนเอพ ร, พระองค์สอนให้พิจารณาก็ไมขอมาให้กําหนดรู้นั่นเนี่ยให้เอาความรู้นั้นนะไปกําหนดรู้ตั้งแต่เพื่นเท้านุนขึ้นมาเบื้องบนนะ่ะมันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสวยงามหรือมันไม่สวยงาม ถ้าถ้าเบื่องต่ำหมดท่านก็พี่นาตั้งเสจผมพี่ลงไปผมขนและฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังพืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จาพวกธาตุดินนะ ธาตุน้ำก่อนน้ำดีน้ำสะเลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือมันคน้นเปรียวมันน้ำลายน้ำโมกไขข้อมดูดนี่จะพวกธาตุน้ำนะธาตุไฟไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้กระวนกระวาย ไฟยังกายให้สุดโทมไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่ถาดไฟมีอยู่สี่กองนะถาดลมมีอยู่หกกองลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออก ธาตุเรามีอยู่หกกองเนี่ยการเพ่งกรรมฐานเราเอากายทั้งก้อนนี่เป็นกรรมฐานไปเลยบางคราวอะ่ะอย่างนั้นเนี่ยแยกๆดูแล้วร่างกายอันนี้มันก็มีแต่ธาตุสี่ประการนี้เท่านั้นเองเลียกวแถมสองธาตุเข้าไปอีก สองธาตุนั้นได้แ ก, อากาญญ่อากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุนั้นคือช่องว่างที่มีในกายเช่นช่องหูช่องจมกูกช่องปากเป็นต้นช่องเหล่านี้พระศาสดาก็ทรงสอนให้เพ่งดูให้เห็นเป็นอากาศธาตุเป็นธาตุอันหนึง่งธาตุอันว่าง วิญญาณธาตุก็ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาให้เห็นว่าบรรดาความรู้สึกที่มันอาศัยหรือว่าซึมอยู่กับตาหูจ ม, มูกลิน้นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้นะท่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นวิญญาณ วิญญาณนี่แปลว่าความรู้แจ้งถ้าวิญญาณไปอยู่ตาอย่างนี้ตาก็รู้สัมผัสทางตาแล้วก็ทำให้ตามองเห็นรูปวัตถุต่างๆได้อย่างนี้แหละถ้าเสียงมากระทบหูก็รู้ว่าเสียงนี่ก็เรียก ว, ว่าวิญญาณทางหู ถ้ากลิ่นมากระทบจมูกก็รู้ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหมน็นอันนี้ท่านก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูกเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปในปากลิ้นมันก็รับรู้รสแห่งอาหารนั้นนั้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณในลิน้นเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรมากระทบกับกายนี่ เกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณทางกายนี่แหละวิญญาณธาตุนะมันอาศัยอยู่ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจโมนี่นข้อนี้วิญญาณนี่พระศาะสดาก็ทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุลงไปธาตุรู้ ความรู้อันนี้ก็เป็นธาตุอันนึงมานนี่ยจิตนี่แหละมาหลงความรู้อันนี้นะส่วนมากนะมันมาหลงความรู้สึกอันนี้แหละความรู้สึกกับความนึกคิดความนึกคิดมันเกิดจากความรู้สึกอันนี่ เมื่อตนคิดขึ้นมาแล้วตกหลงความคิดของตัวเองว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนั้นนะเมื่อมันหลงความคิดอย่างว่านั่นเนี่ยมันก่อเอาแตะจิตก่อดิ้นแล้วแบบนี้นะจิตก็อดิ้นรนนะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามีสติกำหนดรู้เท่าความรู้ความคิด อันนั้นได้ไม่เชื่อง่ายๆเชื่อความคิดตัวเองเพราะบางทีมันก็คิดผิดไปไม่ถูกบางทีความคิดอันนั้นมันก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาดังนั้นเราจะไปเชื่อในความคิดตัวเองทุกอย่างไปเลยนั่นไม่ได้ ก็บุคคลผู้ที่ยังละอาะวะกิเลสไม่หมดนี่กิเลสมันก็มีอยสองอย่างแต่าบางทีกิเลสฝ่ายชั่วมันมีกำลังมันก็มาปรุงแต่งจิตนี้ให้คิดไปทางชั่วอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่ามันฝ่า ฝ่ายดีคือฝ่ายบุญฝ่ายกุศลมันมีกำลังเ ก, กล้ามันก็มาปรุงใจในให้คิดไปในทางดีอ่าเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ยังไม่รู้เท่ายังละความชั่วไม่ได้ความชั่วนั้นมันก็มาปรุงใจให้คิดไปทางต่ำโดยไม่รู้ตัวอตอนคิดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวนะคนเรานะ เหตุที่มันจะได้ทำชั่ ว, ว น, นั้นมันเป็นยังไงเนี่ยทีนี้เมื่อบุคคลได้มาพยายามฝึกจิตนี่ไม่ยอมปล่อยให้มันคิดไปในทางชั่วทางต่ำเช่นไม่ปล่อยให้มันคิดไปในทา ง, างความโลภเล่งเพ่งเล่งอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็ดีพยายามควบคุมจิตนี่ ไม่ให้มันคิดไปในทางอย่างความโกรธความไม่พอใจกับคนหรือกับสัตว์ก็ตามแหละห้ามจิตไรใดพยายามควบคุมจิตให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันงอนแงนคลอนแคนคิดเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทาง นี่เชื่อว่าควบคุมจิตให้ให้มันตั้งอยู่ภายในแล้วมันมันไม่ลืมตัวอะไรแบบนี้นะเมื่อจิตมันตั้งอยู่ภายในนี่ได้แล้วมันรู้ตัวว่าคนเรานะนเป็นยังไตนจะทําอะไรก็กําหนดจิตแล้วคิดเรื่องนั้นนั่นขึ้นมาถ้าตนไม่มีงานทําอะไรแล้วก็เพีงแต่ประคองจิตให้ปกติ ให้รู้อยู่ปกติเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนี่วิธีฝึกจิตนะมีสติประคองจิตไว้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตอะไรแหละเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆนะไม่ต้องไปคิดหามมันเรื่องที่ เราควรคิดเราก็คิดไปแล้วการงานต่างๆคิดไปแล้วแล้วก็ลงมือทำไปมีสติควบคุมจิตไว้ให้มันคิดอยู่แต่เฉพาะการงานที่เรากำลังทำอยู่นั่นไม่ให้มันเฉไปทางอื่นนี่การสำรวมจิตการควบคุมจิต ไม่ใช่ว่าท่านห้ามไม่ให้คิดอ่านอะไรเลยอย่างเนี้ยไม่ใช่ อ, อในขณะที่เรานั่งสมาธินี่ในขั้นตอนนี้จริงแหละอันนี้ห้ามจริงๆห้ามจิตไม่ให้คิดไปทางอื่นถ้ามันทําท่าจะห้ามไม่ไหวก็ต้องบริกรรมพุทโธแทนต้องนึกพุทโธขึ้นมาแทนความคิดที่มันเลื่อนลอยไปทางอื่น อย่างนั้นเอาคุณพระพุทธเจ้านั้นมาผูกกิจไว้ดีกว่าที่คิดไปในเรื่องอื่นคิดในเรื่องอื่นนั้นไม่สามารถจะยับยั้งใจอยู่ได้เพราะเรื่องราวที่คิดนั้นมันเป็นบ่อกเกิดแห่งกิเลสแห่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆส่วนที่เรามานึกพุทโธนี่อันนี้มัน พุทโธคุณเนี่ยเป็นคุณอันบริสุทธิ์พุทธพงไม่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาใดๆทั้งหมดเลยให้เข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นคุณนะนำของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เมื่อได้ตัดสู้แล้วก็ได้ทรงแนะนำสั่งสอน ให้ผู้อื่นได้บรรลุมรรคผลตามพระองค์ไปได้สำเร็จสมดังที่พระองค์เจ้าทรงตั้งความปรารถนาไว้นตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบา ร, รมีมาก่อพระองค์ปรารถนาที่จะพยายามสั่งสมบุญกุศลมาละความชั่วมาให้ตัวเอง ละความชั่วหมดไปสั่งสมบุญกุศลความดีให้เต็มเมื่อได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วก็จะเน้นํำสั่งสอนผู้อื่นให้ละกิเลสตามพระองค์ไปด้วยอุบายธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นความปรารถนาของพระโพธิสัตว์จะมีอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ทำ พุทธกิจอย่างว่านี่ได้เป็นไปโดยสมบูรณ์แล้วพระไทยของพระองค์ก็จึงได้เบิกบานเต็มที่อะไรแบนี้พระคุณนามคำว่าพุโทโธก็จึงบังเกิดขึ้นให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปเกิดขึ้นลอยๆนะพุโทโธคุณ น, นี่นะต้องพร้อมมูล ดังกล่าวมาแล้วนั่นเนะะจึงจึงปรากฏขึ้นมาได้ mm hmm. เมื่อผู้ใดรู้ความเป็นมาของคำว่าพุโทโธอย่างว่านี่ก็จะได้มองเห็นว่าพุโทโธคุณ น, นี่ประเสริ t นักหนาอะไรว่านี้น ะ, ะก็จะพอใจบริกรรมพุโทโธอยู่ในใจเรื่อยไปเลยวันนี้ สำหรับผู้ที่ชอบคิดไปไม่หยุดไม่ยั้งเอาพุโทโธนี่แหละเป็นอารมณ์กันไม่ให้จิตคิดไปทางอื่นหรือมิฉะนั้นก็มาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แทนมันมันขึ้นอยู่กับความ ขึ้นอยู่กับนิสัยอุปนิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันดังนั้นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของสมถะคือว่ากรรมฐานที่ทำใจให้สงบนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้หลายอย่างนั่นเองเนี่ยก็เพื่อให้มันเหมาะกับจริตนิสัยของบุคคล ถ้าหากว่าไปได้เจริญกรรมฐานอันที่ไม่เหมาะกับจริตนิสัยของคนแล้วใจของผู้นั้นจะสงบลงไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนการเจริญอนาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่อันนี้มันมันมันย่อมถูกกับทุกคนเลย เพราะว่าทุกคนมีลมหายใจเข้าออกนี้แล้วความคิดต่างๆมันก็วิ่งออกเข้าออกอยู่กับลมหายใจนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นการที่เราจะมาสกัดกั้นความคิดของดวงจิตที่ให้มันหยุดลงได้ให้มันแน่วแน่เพราะฉะนั้น การทำใจให้สงบนี่นับว่าเป็นหลักอันสำคัญทีเดีย ว, ว่จึงต้องพากันทำใจให้สงบให้ได้ส่ hmm. วนปัญญานั้นเอาไวท้ทีหลังขอให้ใจมันสงบสะก่อนเพื่อใจนี้เข้าไปสามารถควบคุมจิตของตนได้ เวลาที่ไม่นั่งสมาธิก็ตามก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้จิตไม่เอียงไปทางอกุศลธรรมเนี่ยอย่างนี้แหละสำคัญมากน ะ, ะเมื่อฝึกจิตได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าห้ามจิตได้ เมื่อห้ามฝ่ายอกุศลได้แล้วฝ่ายกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตนี้เมื่อกุศลบังเกิดขึ้นแล้วจิตนี้ก็ยิ่งตั้งมั่นลงไปมันไม่มีบาปแทรกแซงขึ้นมาแล้วน ะ, ะเป็นอย่างนั้นความมุ่งหมาย ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนาตอนต้นเนี่ยมุ่งหมายที่จะระงับอกุศลวิตกเนี่ยนะฟัเป็นสิ่งสำคัญนะอกุศลวิตกความคิดรักคนน้นชังคนนี้ อย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นอกุศลวิตกนะให้เข้าใจอย่างที่เคยแสดงมาแล้วแต่กันก่อนนะั่นนะความรักมีอยู่ที่ไหนความชังก็ไม่อยู่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปรักมันจะเลยดีกว่ามันจะไม่ได้เกลียดชังกันนะอะ ถ้าว่ารักกันฉันสามีภรรยาอย่างนี้ก็เรียกว่ารักกันก็ชักชวนกันสร้างบุญบารมีอันนั้นก็ดีอยู่ความรักอย่างนั้นนะเป็นหนทางพ้นทุกสายหนึ่งได้เหมือนกันนะหากว่าหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ ชักชวนกันสร้างบุญบา ร, รมีอย่าชวนกันไปทําความชั่วอย่าชวนกันไปดื่มเหล้าเมาสุราอย่าชวนกันไปเล่นการพนันขันต่อมูนี่อย่าชวนกันไปคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าส่งเสริมกันให้เป็นคนเจ้าชู้ พยายามชักชวนกันละความชั่วเหล่านี้ออกไปจา ก, กจิตใจให้หมดถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นคู่สร้างบารมีไม่ใช่เป็นคู่กรรมคู่เวรถ้าสามีภรรยาคู่ใดสมสู่กันมาแล้ว รักกันด้วยราคะตัณหาอย่างยิ่งและเช่นนี้อาเมื่อไปไปเข้ามันไปเกิดไม่สมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็เกิดทะเลาะกันแล้วเกลียดกันชังกันเข้าไปเลยแตกสมามัคคีกันไปไออย่างนั้นนะ่ะเรียกว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกัน นั่ น, น, นไงแต่ว่าเมื่อเมื่อรักอันไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็ก่อให้เกิดความชังความรังเกียจกันขึ้นมาถ้ารักกันประกอบด้วยปัญญาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเรื่องใดชั่วก็ชวนกันละเว้นไปเสียเรื่องใดดีก็ชักชวนทํากันลงไป เช่นนี้เรียกว่าเป็นคู่สร้างบารมีกันพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็ชักชวนภรรยาก็ดีลูกหลานที่เกิดขึ้นมาก็ดีก็ชักชวนให้ทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆนาะนาะ มาในสงสารนี่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกของพระองค์มาแต่ก่อนนั้นก็ติดถอยห้อยตามพระองค์มาพอเมื่อพระองค์ได้พพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนเหล่านั้นก็ได้ฟังธรรมคําสอนของพระองค์แล้วก็ได้ได้บรรลุมรรคผล ตามพระองค์เข้าสู่พรนิพพานไปหมดเลยไม่เฉพาะตั้งแต่พรรยาหรือว่าลูกของพระองค์แม้แต่คนอื่นที่นับถือพระองค์แล้วละชั่วทำดีตามพระองค์มาในสงสารคนเหล่านั้นก็ได้มาเป็นบริษัทของพระองค์ ในฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็พ้นทุกไปได้ตามกำลังความสามารถของตนของตนอันนี้พูดถึงความรักพระพุเทธเจ้านั้นพระองค์รักพระโพธิญาณยิ่งกว่ารักลูกรักเมียรักสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆงมัอนี่แต่ว่า สิ่งเานั้นก็รักอยู่แต่ก็สู้รักพระโพธิญาณไม่ได้อันผู้ที่ไม่เป็นไม่ได้ปารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็รักบุญรักกุศลรักมรรคผลนิพพานมากกว่ารักอย่างอื่นมากกว่ารักลูกรักเมียรักผัว ความรักเหล่านั้นเอาไว้เบื้องหลังรักบุญกุศลรักมรรคผลนิพพานนี่เอาไว้ตอนหน้าเดินหน้าเลยถ้าผู้ใดยังรักความรักอันนี้ยังไม่ขาดก็ให้รักให้เป็นดังกล่าวมานี่ความรักเหล่านี้ก็จะหนุนส่งให้บุคคล พยายามทำกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นไปโดยลำดับไปอย่างนั้นที่แรกนี่มันก็เป็นกุศลกามมาวาจรไปก่อนเลยกุศลกามมาวาจรนี่หมายวาความว่าบุญกุศลที่เจืออยู่ด้วยความรักความใคร่ พูดกันอย่างตรงๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละไปก่อนอเมื่อยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่นี่เมื่อบุคคลใดทำบุญกุศลไปบุญกุศลนั้นก็จะตกแต่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆให้ตามประสงค์ได้เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้มาเกิดอยู่ในกองเงินกองทองได้รับมรดกจากมันดาบิดาอย่างมโหราณอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ไม่อดไม่อยากอันนี้ก็ มันก็เกิดมาจากเจชาติก่อนน้นบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ต้องการความสุขต้องการความสนุกส น, นานไม่ต้องการความทุกข์ถ้าว่ายังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้ก็ขอให้สมบูรณ์ด้วยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจอย่างยิ่งไอสิ่งที่ไม่น่าพอใจต่างๆนั้นอย่าได้พบ <c oughs> ถ้าอุคคลผู้มีความมุ่งหมายอย่างนั้นนะทำบุญกุศลคุณงามความดีเข้าไปสิ่งใดทั่วก็สลละมันออกไปเช่นนี้แล้ว บุญกุศลมันก็แต่งให้ตามประสงค์ได้เป็นอย่างนั้นเรืองมา น, นะก็อย่างที่คนผู้ร่ำรวยมีเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆในโลกนี้แม้ในครั้งพุทธเจ้าพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างนี้ก็มีมากมายแต่คนเหล่านั้นมีบุญนะอ่นนนะ ได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บันลุมกผลไปตามวาสนาบารมีของตนบางคนก็เลยสละสมบัติออกบวชไปเลยเช่นพยศกุลบุตรหนึง่งมีสมบัติมากบิดามารดาสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามหลังคล้ายคึงกับพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว แต่ว่า <c oughs> ยศกุณบุตรนั่นน่ะท่านสร้างบุญกุศลมาในสงสารนั้นมากแล้วแล้วบาปความชั่วร้ายต่างๆนันก็ละมาแล้วดังนั้นเมื่อสร้างบุญกุศลอันเป็นส่วนโลคีนี่มาจนเต็มแล้ววันนี้เบื่อแล้ววันนี้นั่นเลยมองดูสมบัติเข้าของเงินทองอะไร มองดูลูกเมียอะไรก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเลยมีแต่ความวุ่นวายเลยแต่เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มนะนะยังยินดีอยู่ยังพอใจอยู่แต่ความยินดีของเพื่อนมันเป็นไม่เป็นเหตุก่อให้ไปทํำบาปทาความชั่วต่างๆยินดีอยู่ในขอบเขต แห่งความดีแห่งศีลธรรมนั่นแหและท่านพอบุญกุศลเต็มแล้วอย่างนี้ทำให้เบื่อหน่ายไปหมดมองดูอะไรก็เป็นแต่ของไม่เที่ยงมองดูอะไรก็เป็นแต่เรื่องยุ่งยากเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วต้องบริหารรักษาอะไรต่ออะไรอย่างร่างกายสังขารอย่างนี้เนะี่ เราได้เราได้มาแล้วเกิดมาอาศัยมันอยู่แล้วก็เพราะมันไม่เที่ยงนะแต่ยังต้องต้องทนุบำรุงรักษาด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นอย่างที่เคยพูดมาแล้วนะอันนีน้รักษาประคบประงมกันอยู่เนี่ยทั้งที่รักษาเต็มที่อยู่มันก็ไม่ฟังมันก็ยังวิบัติแปลปรวนไปอยู่ แม้สมบัติภายนอกก็เหมือนกันนะรักษาอย่างไงอย่างไงก็ไม่ฟังถึงเวลามันศูนย์มันหายไปมันก็หายไปอย่างนั้นนะท่านมาพี่นาเหตุอย่างนี้จึงเหนื่อยหน่ายเลยก็จึงได้หนีไปเพราะว่าบุญท่านมีหนีไปก็บัเงเอิญไปพบพระพุทธเจ้าเขาให้ใเมื่อพระองค์แสดงทำอันเป็นทางให้บรรลุมรคล ธรรมวิเศษให้ท่านฟังท่านพิจารณาตามไปก็ได้บรรลุมรผลไปโดยลำดับจนถึงอรหัตตาผลอันนี้ยกตัวอย่างของบุคคลในครั้งพุทธการมาแสดงสูกการฟัง <c oughs> เพื่อจะได้เป็นที่ระลึกไว้เแล้วเราก็จะได้เดินตามหลังท่าน ผู้ที่มุ่งหวังอยากจะพ้นทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารนี่มันก็ต้องเดินตามหลังท่านผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาก่อนแล้วท่านดำเนินมาอย่างไร อ, อย่างเช่นเรื่องราวของพยศกุลบุตรนี่แต่ในอดีตดวงแล้วมานุ่น ท่านก็เกิดมาเป็นคนเหมือนอย่างคนทั่วๆไปในโลกนั้นนี่ยเกิดมาแล้วก็มีเมีย ม, ม, มีลูกสร้างบ้านสร้างเรือนเหมือนกันกับคนทั่วๆไปแต่ว่าท่านมีอุปนิสัยมีคุณธรรมอันใดอันหนึ่งอยู่ในใจ คุณธรรมก็คือเมตตานั่นเองในครั้งนั้ น, นในครั้งนั้ น, นมีผู้หญิงอนาถาคนหนึ่งมาตายลงท่านก็ชวนพักพวกไปปรงศพหญิงอนาถาคนนั้นโดยเอาผ้าขาวห่อเข้าไปแล้วก็เอาใส่หีบ พากันหามไปสู่ภาช้าหาฟืนมากองขึ้นแล้วก็ยกหิบศกขึ้นบนกองไฟจุดไฟเผาเมือ่อไฟมันลุกกุ้มขึ้นนั่นพวกพวกทั้งหลายก็เห็นว่าไฟมันดับไปแล้วก็กลับบ้านกันเป็นส่วนหลายเหลืออยู่เพียงสี่ห้าคน ดูแลกองไฟอยู่มันนี่เมื่อมันไฟมันไหม้ฟืนไม่ซากศบนั่นลงไปแล้วก็มองเห็นซากศบนั้นยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรก็จึงได้เอาไม้ไปแทงซากศบนั้นให้มันให้น้ำเน่าน้ำเลือ้งอะไรมานั้นมันทะลุ ไหลออกมาเพื่อให้ไฟมันไม่เร็วเข้าบ้านี้ก็ไปเห็นเอาไว้ว่าร่างกายของซากศพนั้นเน่าเปื่อยไหลออกมาเป็นน้ําเลืองน้ํำน้องกระชักชวนให้เพื่อนพี่ดูแลซากศพกันอยู่นั้นให้มาพิจารณานี่แหละร่างกายของคนเราเนี่ย ตายแล้วไม่มีดีอะไรเลยอ่าจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปอย่างนี้แหละแม้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันก็จะต้องเน่าต้องเปื่อยผุพังไปเหมือนกันนี่แหละท่านทั้งหลายจงพิจารณาอย่าประมาทพักพวกทั้งหลายก็กําหนดอสุภะ สัญญานั่นเป็นอารมณ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านต่อจากนั้นคนเหล่านั้นก็ตั้งอกตั้งใจตั้งสมบุญกุศลมีให้ทานเป็นต้นแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยภาวนาด้วยทําบุญกุศลความดีต่างๆให้เต็มความสามารถเลยอย่างนี้เลยมันในบุญกุศลนั่นมันก็ส่งให้บุคคลเหล่านั้น ขึ้นสวรรค์ไปจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในโลกนี่ก็มาเกิดในตระกูลสูงก็ได้ทำบุญทำทานในเรื่องการทำบาปเพื่อนไม่เอาแล้วเพราะว่าลาวิ้นกันมาแต่ชาตินั้นแล้วอย่างนี้เลยบุญกุศลมันก็รวมกำลังกันเข้ามากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็เต็มได้ เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ทำชั่วนี่ทำแต่ความดีอ่ะเพษชาตินั้นม า, มาเมื่อมาถึงศาสน า, าพระพุทธเจ้าของเรานี่ยศกุลระบุตรก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีเลยส่วนพักพวกก็เกิดในตระกูลสูงเหมือนกันกับลดสั่นกันลงไป <c oughs> แล้วก็ได้มาเป็นสหายกันมีอยกสี่สิบห้าคนที่ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลละชั่วทำดีด้วยกันมาในสงสารแต่คนนอกนั่นแล้วเข้าใจว่าจะไม่สั้างอกสั้งใจภาวนาอัุพะกรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็จึง ไม่ได้เป็นสาหายกันอย่างสนิทสนมดังนั้นแนะบุญกุศลของท่านมันถึงเต็มได้ให้พากันเข้าใจเมื่อยศกุลระบุตรได้ออกบวดไปแล้วสาหายทั้งสี่สิบห้าคนนั้นทราบข่าวเขาว้าก็พากันมาถามดูถามพยศกุลระบุตรดูว่าพมจันนี่ ประเสริฐอย่างไรบ้างพระยศก็สรรเสริญว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐนักหนาแลยทำให้พนทุกคนภัยไปได้ยศพระยศก็จึงได้พาตาหายเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์แสดงธรรมให้ฟังคนเหล่านั้นก็เกิดศรัทธาขึ้นขอบวช องค์ก็บวชให้ mm. ขาบวชแล้วบำเพ็ญภาวนาไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์อาทิยกเรื่องราวของภาษาวกบางองค์บางพวกมาแสดงสู่กันฟังในที่นี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการฝึกขนอบรมจิตนี่นะนบว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่ตัวเองทำให้พ้นทุกข์นภัยไปได้ไม่นานบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกผนอบรมจิตนี่ก็จะต้องได้เสวยทุกข์อยู่ในวัตาสงสารอันนี้ไปนาน เ, ออเมื่อไรไม่รู้แหละถ้าหากว่าไม่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลไปจริงจัง ไม่ตั้งใจละบาปแล้วเข้าใจว่าไม่มีกำหนดที่จะพ้นทุกได้คนเราเนะ่ะเป็นอย่างนั้นมันจะพ้นได้ยังไงในเมื่อคนทำบาปอยู่บาปนั่นแหละมันไปหน่วงเหนียวเอา <c oughs> ชีวิตนี้ให้คล้องอยู่ในสงสารอันนี้ให้พ้นจากสงสารอันนี้ไปไม่ได้ สำหรับท่านที่พ้นทุกข์ได้มาที่ร่วงแล้วมาหมุนัันนะ่ะร่วนแต่ท่านเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปแล้วก็พยายามสั่งสมความดีให้มากขึ้นโดยลำดับเช่นเบื้องต้นมีศรัทธาให้ทานเมื่อทานไปอินทรีแก่ก กล้าขึ้นไปก็เกิดมีศรัทธารักษาศินให้บริสุทธิ์เข้าไปเมื่อรักษาศินให้บริสุทธิ์ไปไปอินทรีมันแก่กล้าขึ้นไปอ้าวเกิดศรัทธาสนใจในการด้วยพระภาวนาขึ้น อ, อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าบุคคลผู้ที่ ละความชั่วออกไปแล้วนะมันก็เริ่มทำความดีเหล่านี้ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับได้เลยพอดีดังนั้นแหละบุญกุศลก็จึงเต็มได้ขอให้เข้าใจกันบางคนเคยได้ยินบางคนพูดกันอยู่ออคนเรานะ่ยมันก็ต้องดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดา แต่ว่าอย่าให้มันชั่วหลายให้มันชั่วพอประมาณจะให้มันปลอดจากความชั่วเฉยเลยทั้งหมดเลยนี่คงไม่ได้ให้ผู้เช่นนั้นเียา ว, วตีตอนตายก่อนไข้ไปแล้วก็ลากความชั่วไม่ได้ละความเห็นแบบนั้นความเห็นที่จะละความชั่วได้อย่างนี้นี่ เรามันต้องยอมรับว่าเรานั่นทําความชั่วมาแต่ก่อนนั้นอ่ะเพาไม่รู้จึงได้ทํามาบัณ น, นีตมารู้แล้วว่าความชั่วนี่นะมัน น, นํานวยผลให้เป็นทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารนี่จริงเพราะฉะนั้นจําเป็นเราจะต้องเพียรพยายามละมันจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปเราจะไม่ท้อถอยไม่ยอ่อ ไม่ย่อท้อในการภาครีนพยายามละกรมันชั่วนี้คิดอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็สามารถที่จะละกมชั่วต่างๆออกจากกายวาจาใจได้จริงๆผู้ใดตั้งใจว่ายอย่างว่านี้นะ ถ้าผู้ใดไม่ยอมรับรู้ความชั่วที่ตัวท ร, ร ม, มาแล้วอย่างนี้ความชั่วนั้นจะไม่ออกจา ก, กจิตใจผู้นั้นเลยเบงนั่นเรื่องมันนะดังนั้นแหละให้สังเกตดูระเบียบในพุทธศาสนานี้เมื่อบุคคลใดรู้ตัวว่าตนได้ ร่วงเกินหรือได้ประมาทคนนั้นอย่างนี้นะซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิอันสูงกวัวตนเมื่อรู้ว่าตนประมาทท่านผู้เช่นนั้นนะหากไม่ไปขอขมาโทษท่านผู้เชนนั้นท่านไม่อาโหสิกรรมให้อย่างนี้ผู้นั้นจะไปทำความดีอะไรก็จเจริญไปไม่ได้เลย คูดง่ายว่าไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เพราะว่าบาปกรรมที่ตนได้ประมาทท่านผู้สมคุณวุฒิอย่างว่านั้นมันไปขัดขวางไว้เลยมันจะไม่ยอมให้ก้าวหน้าไปได้ดังนั้นในพุทธศาสนานี้ก็จึงได้มีธรรมเนียม ว่าเดือนทีปีหนจะมาขอขมาโทษต่อกันเลยคันในระหว่างลูกกับพ่อกับแม่ในระหว่างสามีกับภรรยาในระหว่างพระภิกษุสงฆ์สามเณรกับอุปชาอาจารย์เนี่ยมันต้องมีดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็ไปกล่าวคำขอขมาโทษ ต่อท่านผู้มีพระคุณต่อตนหากว่าตนได้ประมาทพลาดพังท่านเข้าไปที่ร่วงแล้วมาท่านอาโหสิกรรมให้แล้วโทษนัานมันก็หมดไปเราจึงมีธรรมเนียมกันนั่นแหละเมื่อตอนวันเข้าพรรษาสำหรับพระภิกษุสามเณร เราต้องขอขามาโทษต่อกันเลยกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยอมเมื่อขอขามาโทษกันแล้วก็ไม่ต่อจากนั้นไปก็ไม่โกรธกัน